พุทธธรรมฉบับปรับขยายสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่มีเนื้อหาสําหรับศึกษามากเพราะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจขั้นเต็มกระบวนเป็นเรื่องละเอียดประณีตทั้งในแง่ที่เป็นเรื่องของจิตอันเป็นของละเอียดและในแง่าการปฏิบัติที่มีรายละเอียดกว้างขวางซับซ้อนเป็นจุดบรรจบ หรือเป็นสนามรวมของการปฏิบัติความเข้าใจเบื้องต้นความหมายของสมาธิสมาธิแปลกันว่าความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนด คำจำกัดความของสมาธิที่พบเสมอคือจิตตเซกะคตาหรือเรียกสั้นๆว่าเอกะคตาซึ่งแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือการที่จิตแน่วแน่แนบสนิทอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่สายไม่วอกแวกคำพีรุณตกรกถาระบุว่า สมาธิคือภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตและไขความว่าหมายถึงการดำรงจิตและเจตสิกไว้ในอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างเรียบสม่ำเสมอและด้วยดีหรือแม้แต่แค่จิตตั้งมั่นพร้อมนั้นท่านแสดงสาระสำคัญไว้ซึ่งขอพูดให้ง่ายว่า สมาธิมีลักษณะไม่ส่ายหรือไม่ฟุ้งซ่านมีหน้าที่ช่วยให้ประดาธรรมะที่เกิดร่วมรวมตัวกันอยู่ได้เหมือนน้ำผนึกลงแป้งไว้ไม่ฟุ้งกระจายปรากฏเป็นความสงบโดยมีความสุขเป็นประทัดฐานคือเหตุใกล้อย่างพิเศษที่จะให้ถึงสมาธิจิตที่เป็นสมาธินั้นนิ่งแนว เหมือนเปลว เ, เทียนในที่ไม่มีลมกวนไฟทำงานเผาไหม้ต่อเนื่องไปอย่างสม่าเสมอมีใช่หยุดนิ่งแต่สงบนิ่งแนวในอกุโซรจิตเอกขาตาหรือสมาธิก็เกิดได้ดังที่อภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีแสดงการที่เอกขาตาสมาจินสีและมิจฉาสมาธิ ประกอบร่วมอยู่ในจิตที่เป็นอกุศลและอธถกขาได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีจิตแน่วแน่ในขณะเอาสตราฟาดฟันลงที่ร่างกายของสัตว์ไม่ให้ผิดพลาดในเวลาตั้งใจรักของเขาและในเวลาประพฤติการเมสุมิชาจา์เป็นต้นอย่างไรก็ตามเอกคตาในฝ่ายอกุศลนี้มีกำลังน้อยอ่อนแอ ไม่เข้มแข็งทนทานเหมือนในฝายกุศลเปรียบดังเอาน้ำราดในที่แห้งฝุ่นฟุง้งฝุ่นสงบลงชั่วเวลาสั้นไม่นานที่ก็จะแห้งมีฝุ่นขึ้นตามเดิมสัมมาสมาธิตามคำจำกัดความในพระสูตรทั่วไปเจาะจงว่าได้แก่สมาธิตามแนวชาญสีดังนี้ ภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิเป็นฉะไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. งสงัดจากการมทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ 2. เข้าถึงทุติยฌาน อันมีความผ่องใสแห่งจิตภายในมีภาวะใจเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารรงงะงับไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ 3. เพราะปิติจางไปเธอมีอุเบกขาอยู่มีสติสัมปชัญญะและสเสวยสุขด้วยนามากาย เข้าถึงตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสเพราะละสุขละทุกข์และเพราะโสมนัสโทมนัส ด, ดับหายไปก่อนเข้าถึงจตุทถธาฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ ย่งไรก็ตามคำจำกัดความนี้น่าจะถือเป็นการแสดงความหมายแบบเต็มกระบวนดังจะเห็นว่าบางแห่งท่านกล่าวถึงจิตตาเซกะคาตานั่นเองว่าเป็นสมาธินีดังความบาลีว่าภิกษุทั้งหลายอินรีคือสมาธิเป็นชนหะนคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ กำหนดภาวะปล่อยวางเป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาแห่งจิตคือภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าอินซีคือสมาธิส่วนคำจำกัดความในพระอภิธรรมปิดกว่าดังนี้สัมมาสมาธิเป็นไฉไนความตั้งอยู่แห่งจิต ความตั้งแน่วความมั่นลงไปความไม่ทายไปความไม่ฟุ้งซ่านภาวะที่ใจไม่ซัดสายความสงบคือสมถะสมาธินีสมาธิพละสมาสมาธิสมาธิสามโพชงที่เป็นองค์แห่งมัชนับเนื่องในมัชอันใดนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ ว่าโดยสาระสาคัญสมาธิที่ใช้ถูกทางเพื่อจุดหมายในทางหลุดพ้นเป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมีใช่เพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวตนเช่นจะอวดฤทธ์อวดความสามารถเป็นต้นนั่นเองเป็นสัมมาสมาธิดังหลักการที่ท่านแสดงไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเจริญวิปัสสนาได้ โดยใช้สมาธิเพียงขั้นต้นๆที่เรียกว่าวิปัสนาสมาธิหรือสมาธิที่ใช้ประกอบกับวิปัสนาหรือเพื่อสร้างปัญญาที่รู้แจ้งอันเป็นสมาธิในระดับระหว่างคณิกาสมาธิกับอุปจารสมาธิเท่านั้นอัตถถาแสดงไว้อีกแห่งหนึ่งว่าสัมมาสมาธิได้แก่ ยาถาวะสมาธิคือสมาธิที่แท้หรือสมาธิที่ตรงตามสภาวะนิญญานิกาสมาธิสมาธิที่นำออกจากวัตตะคือนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกหรือสู่ความเป็นอิสระกุศลสมาธิสมาธิที่เป็นกุศล เพึ่งสังเกตว่าคำว่าสมาธิที่ใช้หมายถึงวิปัสสนาก็มีบ้างโดยเฉพาะที่ใช้ในสมาธิสาคือสุญญาตาสมาธิอันนี้มีตาสมาธิและอัปะนิอิตาสมาธิอย่างไรก็ตามเพึ่ถือความหมายเช่นนี้ว่าเป็นกรณียกเว้นซึ่งตามปกติไม่ต้องคำนึงถึงเลย